ก็ความเจริญในธรรมซึง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในรายการพิเศษวันนี้ก็คงพูดเรื่องปฏิปทาของเจ้าชาศสิท ธ, ธัตถะซึ่งควรจะยึดถือเป็นแบบอย่างเพราะว่าในช่วงตรงนี้ที่จริงท่านยังเป็นสามัญชนอยู่คือยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติตรงนี้มันก็ไม่เคยเข้มข้นอะไรเท่าไรหรอกต่ทำยังไงจะโดยเสด็จได้ประการต่อไปคือช่วงที่เสด็จเข้าไปศึกษาในสำนักของครูวิศวามิตรคือตามโครงสร้างจริงๆมันควรจะมีอาจารย์อีกเป็นนันมากนะคือแม่น้าที่ราชกุ ม, มารซึ่งเป็นที่ชื่นชมยินดีของราชวงศ์จะไปศึกษากับครูคนเดียวนะ จะแสงดงว่าเป็นสำนักคือว่าหัวหน้าใหญ่เนี่ยคือวิศวามิตรแล้วก็นอกนั้นก็อาจารย์เราอื่นซึ่งก็ไม่จําเป็นจะต้องออกชื่อเพราะแนวเรียงประวัติศาสตร์ส ม, มัยโบราณเนี่ยมันจะให้ความสำคัญแก่หัวหน้าในรัชสมัยพระมหากษัตริย์องค์นั้นองค์นั้นเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นคล้ายๆกับพระมหากษัตริย์ทําเองแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็มีคนรับผิดชอบอยู่ในเรื่องเรานื่อ แต่ว่าทมอยู่ในยุคสมัยของท่านความดีความงามก็ไปตกอยู่ที่ท่านหรือว่าไม่ดีไม่งามก็ตกอยู่ที่ท่านด้วยนะะนั่นคือแนวการเขียนประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณก็เขียนอย่างนั้นเจ้าชายทิฏฐะเมื่อไปศึกษาในสำนักของอาจารย์วิศวามิตรนั้นเรียนได้เร็วมากก็เรียกว่ามันเรียนแบบทะลุปูโปรงคือ มองจากมิติหนึ่งไปสู่มิติหนึ่งจากมิติหนึ่งไปสู่มิติหนึ่งมันไม่ได้ไปยึดติดอยู่ในมิติที่มีการสอนของครูอาจารย์และในความคิดตรงเนี้เราจะเห็นว่าเวลาพระองค์มาสอนธรรมะแก่ชาวพุทธแกพุทธศาสนิกชนเนี่ยเนื่องจากเราะนั้นเป็นสัพพัญญูแล้วนะฮะคือยิบทุกอย่างมาสอนได้หมดเลย ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยผู้เจ้าสอนอรอยิยสัจได้หมดเอาดอกบัวดอกเดียวก็ได้นะแต่เหตนว่าถ้าสอนแนวทุกขศาสตร์ก็สอนถึงสภาพของเหตุปัจจัยการเกิดของดอกบัวแล้วในที่สุดก็จะเบ่งบานแล้วก็เหี่ยวเฉาร่วงโรยไปอ่นะจะเรียนในแง่ของความทุกข์เรียนแต่ดอกบัวอาจจะเรียนในเหตุเกิดแห่งทุกข์ก็ได้นะ นะดอกบัวที่ไปอิงอาศัยอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มีนอนบ่อนไส้อะไรแต่ไรชอนชัยแล้วกันในที่สุดกลีบก็ไม่สวยดอกก็ไม่สวยแล้วก็เหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปนะดอกบัวบางชนิดเนี่ยมันอาศัยอสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกื้อกูลก็เบ่งบานมีกลิ่นหอมช่ยมีสัตว์ทั้งหลายปรารถนาเข้ามาดมดมอะไรแต่ไรเนี่ยหมายความก็หยิบมาสอนได้ตลอดสอนระดับไหนก็ตาม อาจจะยกตัวอย่างว่าอาจจะหยิบผลมะม่วงขึ้นมาสักผลหนึ่งเราเป็นอุปกรณ์สอนปัญหาว่าจะสอนตรงไหนล่ะจะสอนเรื่องอะไรล่ะเช่นจะพูดถึงว่าคนความรู้กับความประพฤติเนี่ยเรื่องถือเรื่องใหญ่นะความรู้กับความประพฤติเนี่ยคนบางคนความรู้ก็ไม่ดีความประพฤติก็ไม่ดีเหมือนมะม่วงที่ข้างนอกก็ดิบข้างในก็ดิบโดยเจ็นว่ามะม่วงดิบในใช้สอยใช้ประโยชน์ได้น้อย คนบางคนนั้นความรู้ดีแต่ว่าความประพฤติไม่ดีเหมือนมะม่วงที่ผิวข้างนอกในสุกแต่ข้างในมันดิบคือเปรี้ยวจี๊ดแต่คนบางคนนั้นความรู้ไม่ดีแต่ความประพฤติดีมันก็เหมือนกับมะม่วงที่ข้างนอกผิวเขียวเขียวนะฮะแต่ว่าข้างในมันหวาน แต่วคนบางคนความรู้ก็ดีความประพฤติก็ดีก็เหมือนมะ ม, ม่วงที่ข้างนอกก็น่ารับประทานผิวสวยน่ารับประทานข้างในก็รสหวานเห็นไหมัมนมันไปเสริมคุณค่าของสิ่งนั้นแต่ว่าประสอนแล้วนน้องก็มาหาตัวมาเทียบเคียงเอาใช้เป็นบทเรียนทั้งหมดวิธีการศึกษาแบบพุทธเนี่ยคือว่าเราอาจจะเรียนจากข้างนอกก่อนแล้วก็น้อมกับม า, าเราหราือเรียนจากเราแล้วก็ไปมองจากข้างนอก แล้วจะเข้าสู่ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันเนะช่นเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้โราเรียนจากเราก่อนแล้วถึงคนอื่นล่ะคนอื่นก็คือธรรมดาแก่เป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาพอถึงตายก็ตายเป็นธรรมดาเรียนจากเรานะฮะเรายังไม่ตายแต่ว่าคนตายเรารู้มาตั้งนานแล้วตายเป็นธรรมดาเพียงเดียวก็ตายก่อนเราเท่านั้นเองแล้วเราก็จะตายอย่างที่เขาตายนั่นแหละ เพาะว่าในี้ยจริงๆเนี่ยคนที่เราเผาเขาเขาก็ไม่มีโอกาสเผาเราเฉพาะชาตินี้นะแล้วคนที่เผาเราเราก็ไม่มีโอกาสจะเผาเขาเฉพาะชาตินี้แต่ชาติต่อไปมันคงอาจจะเปลี่ยนกันเผากันไปกันมายยุ่งๆอย่า ง, งนี้มันก็กลายเป็นเครื่องมือในการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเจ้าชาติธาไม่ได้มองเท่าที่สัมผัสจะมีความคิดมีจินตนาการสืบต่อไป ตอนนี้มาไปอบรมในระดับผู้วิชาการทั้งหลายนะะโดยเฉพาะค้ารายการผู้ใหญ่ผู้ระดับผู้บริหารเนี่ยคือรำคาญอย่างไอหัวกะโหลกที่เอามาใช้อะไรภาพแผ่นใสอะไรต่าง ๆ, ๆคือรู้สึกว่ามันทำให้มนุษย์เนี่ยขาดจินตนาการนำมาสอนนักศึกษามานานแล้วไม่เคยใช้เคยให้ใช้ก็ไม่เอาไม่ใช้คิดไม่เป็นก็แล้วไปเราจะอธิบายให้เขาเกิดเป็นภาพไปได้ โดยเราไม่ต้องไปใช้ภาพแล้วเป็นคนเวลาสอนหนังสือระดับมาไม่จาัยมาไม่เคยไม่ไม่ก็เรียกไม่จำเป็นจริงๆจะไม่เขียกนกระดานเราต้องการฝึกคนให้รู้จักคิดรู้จักมองรู้จักเทียบเคียงอะไรต่างๆลเลยใช้การอธิบายเ็าเรียกว่าใช้ภาพใช้พจนิยมสร้างภาพเอามองไม่เห็นภาพก็เป็นกรรมนั่นก็คือการศึกษาในแนวที่เราจะเห็นว่า สิ่งที่ปรากฏมันไปเชื่อมโยงหาสิ่งที่ไม่ปรากฏนะเช่นเราเจอเราเจอคลองหนึ่งคลองคลองแคบด้วยแล้วก็ตื้นด้วยทําให้เรานึกถึงแม่น้ำอีกสามชนิดว่าแม่น้ำอีกชนิดหนึ่งมันแคบแต่มันลึกเห็นไหมตรงกันข้ามกับแม่น้ำชนิดที่เราเห็นแม่น้ำอีกชนิดหนึ่งนั้นว่างแต่ตื้ด มันเหมือนประเภทแรกที่ตื้นแต่มันผิดกับประเภทแรกที่มันกว้างในน้าอีกชนิดหนึ่งกว้างด้วยแล้วก็ลึกด้วยมันเหมือนประเภทที่สามเนี่ยในกรณีที่กว้างแต่ว่าไปเหมือนกับประเภทที่สองในกรณีที่ลึกมันก็เห็นความตรงกรันข้ามเห็นความเหมือนการเน้นความแปรเพียนเน้นความคล้ายคลึงต้องสิ่งเหล่านั้นเพราะในการศึกษ า, าแนวนี้มันก็เจาะได้ลึกเลย เขาเรียกว่าเข้าถึงอัฐะคือเนื้อหาของมันการศึกษาของเราในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาว่าเราไม่ค่อยเข้าถึงเนื้อหาว่นเนื้อหามันคืออะไรแล้วก่อนไปถามผู้บริหารการศึกษาว่าไอ้ที่คุณตั้งเป้าว่าเก่งว่า ด, ดีเนี่ยมีความสุมคืออะไรมันตัวอย่างในอดีตนี่คืออะไรแล้วก็มีวิธีการจัดการให้การศึกษา ยังไงจึงจะเกิดเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็มีความสุขคือสามอย่างนี้มาอยู่ในคนคนเดียวกันนี่ทำยังไงก็ไม่ได้ซักอะไรเข้ามากนะเพราะวาเวลามันน้อยแต่ว่าผู้เด็เขาคิดคิดไว้เนะี่ยคุณต้องคิดถึงว่าภาคปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติยังไงเพราะบางทีเราไม่นึกภาคสนามเราไม่ได้คิดสร้างสถานาการณ์จําลองขึ้นมาว่ถ้าถ้าอย่างนี้ต่อไปเป็นยังไงต่อไปเป็นยังไงต่อไปเป็นยังไง เหมือนเนี่ยเหมือนกับ ร, ราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยก็เรียกบัญญัติหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะมาอยากจะอ่านนะที่คือดูมาตั้งนานแล้วฟังแล้วมันเอออะไรมันเหมือนกับคนเนี่ยไม่ใช่สัตว์สังคมไม่ใช่มนุษย์เนี่ยกินข้าวร่วมกันก็ไม่ได้ ไปนั่งรวมกลุ่มกันก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรโผล่หน้าเข้าไปก็ไม่ได้ไปพูดจับไม่ครโฟนก็ไม่ได้มันอะไรวะมันลืมเ่อความเป็นมนุษย์ไปเพราะในช่วงที่สมัครสวรเนี่ยไปไปแตะต้องอะไรไม่ได้เลยเราไม่จะสร้างพระอรหันต์นะเราสร้างสวสมาชิกวุฒิสภาแท่นั่นเองในสวนั้นคนมีกิเลส น, นะ แต่ว่าเป็นสัตบุรุษเ น, นั้นเองไม่ใช่คนหมดกิเลสคนหมดกิเลสมาเป็นสวไม่ได้แล้วนี่ก็คือคือเราเจะเห็นว่าความคิดเนี่ยพอภาคสนามเราก็นึกไม่ออกอ่ะนึกว่ามันจะทํายังไงแต่ไม่ใช่ความผิดของกร ก, กอตอนะฮะคือเป็นความผิดที่ก็ร่างกฎมาถ้าเหล่านี้เป็นพวกปฏิบัติทากฎเท่านั้นเองเพราะการมองปัญหาแบบเจชาชะจิตตตะ ที่ต้นมองเนี่ยทดลองสังเกตว่าแนวแบบฝักชีโรยหน้าเนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยอะ่ะโดยเฉพาะเพราะระบบราชาการในแบบมันอึดอัดแหละระบบฝักชีโรยหน้าเขาเนี่อึดอัดเลแหละแต่ว่ามันก็มีคู่บ้านคู่เมืองได้แต่ในแต่ไรแล้วก็มีทุกส่วนของโลกเลยเจ้า ช, ชายจิตถาไปเจอระบบฝักชีโรยหน้าเมื่อไหร่ เมื่อตอนขอไปเชี่ยวนอกเมืองเนี่ยเสด็จเรียบพระนครพิรณาสุทโธตนะเนี่ขอผัดผ่อนมาตลอดเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันก็ห้ามอะไรไม่ได้ก็สั่งเตรียมการอย่างดีเลยไปเก็บกวาดคนเครือมันไม่ใช่หมดอนะฮะหมายความมาสนุนที่สเสด็จเนี่ยตรงนั้นคนแก่อยู่ไม่ได้คนเจ็บอยู่ไม่ได้คนตายมีไม่ได้ นะคนที่กระจอกงอยๆทั้งหลายนี่ต้องออกให้หมดเลยจัดฉากอย่างดีนะแต่ว่านักคิดนักสังเกตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทำได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยกระต๊อบนี่ย้ายหนีไม่ได้เห็นไหมจากกระต๊อบมันจะมองไปหาอะไรได้อีกเยอะเลย มองถึงคนที่อยู่ในกระต้อบมองถึงอาหารการกินมองถึงเสื้อผ้าของขาวมองถึงงานอาชีพของเขาจะไปได้เยอะเลยจากกระตอ้อเป็นกระต้อเดียวนะจะมองได้อีกมากนะพระเจ้าชายก็มองจากจุดตรงนั้นเนะี่ยเห็นความแตกต่างว่าไม่ชอบมาภากรณแล้วไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งหลอกลวงท่านอยู่นี้มันมายาซอนมายาได้เกินในสุดก็ขอเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ จากการกรเด็จเป็นส่วนพระองค์นอกจากแส ด, แดงถึงคุณธรรมภายในประไทยปัญญาฉับไวัยของพระองค์แ่ะมันมีเรื่องหนึ่งที่พระนนทเถระท่านล่าในเรื่องว่าตอนเป็นราชกุ ม, มารทรงพระเยาด้วยกันนี่ยก็ไปเที่ยวกันเป็นกระบวนกนะฮะยุคโบราณมันไม่สลับซ้อนอะไรก็ไปเที่ยวกันในป่า เจ้าชาติสาเนี้แปลกมากสัตว์ตามเป็นพรวนเลยนะสัตว์ดุดุเสือเสือนี่ตามด้วยแล้วไม่กัดใครอะ่ะในหมูรธธัตยพกมานอั่นแหลห้อมล้อมเจ้าชายติส า, าเหมือนก็คุ้นเคยเหมือนเจ้าของบอกว่าอัศจรรย์ว่าสัตว์ไม่ทําอันตรายแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วามาันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือพระองค์ก็สูงส่งจน เรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กเกิดไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่จริงท่างก็เป็นราชคุก ม, มารแต่ว่าสัตว์ไม่ทําอันตรายมันแสดงเรื่องจิตตานุภาพที่กรอบโดยเมตตาธรรมในตากรุณาต่อสประสัตว์ทั้งหลายไม่มีแม้แต่ความคิดจะเบียดเบียนไม่ต้องพูดถึงการเบียดเบียนก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเช่นอะไรล่ะพนัก ง, งานเจ้าหน้าที่กทมที่จับสุนัขเนะ วันทีก็มาจับในวัดด้ยินหมาเหา่ามมาคุกคามอะไรตัไหนก็อื่นเดินมันไม่เห่าอ่ะแต่พนักงานกทมามามันเหา่าเลยมันวิ่งหนีด้วยนะเห่าแล้วก็กลัวด้วยแสดงว่ามันมีสัญชาตญาณอะไรลึกๆเ ล, ลยเพราะฉะนั้นคนสัตว์จะมีลักษณะอย่างนัน้คือถ้าคนมีความคิดไม่ดีต่อเขาเนี่ยเขาจะเกิดระแวงเกิดจะระวังเพราะสัตว์เนี่ยจะมีความระแวงภัยแลก็ระวังภัย แต่ในขณะเดียวกันถ้าคนอัตยศาศัยแบบเจ้าชายิตตถาเนีมันก็ไม่มีเแบบมีปัยตรงนี้อีกเป็นแบบเด่งคือทำยังไงว่าเราไปในที่ไหนเราอยู่ในใจเราฝึกจิตให้เจริญเมตตากรุณาึกจิตให้อยู่ด้วยเมตตากรุณาเนี่ยแล้วก็มองคนโดยความเข้าใจเห็นใจให้อภยัยอดทนรอคอยไม่ถือสาห้าฟังก็ตอนที่ มีปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ท้องสนามหรวง น, นนะฮะก็มีหนังสือส่งมาที่อาตมาปฏิเสธทั้งท่านได้มาไม่ได้ขอเนะี่ป็นเสยการใช้สนามหลวงแล้วก็คนมาขอให้สัมภาษณ์บอกให้ไม่อยากพูดอ่ะแล้วลก็บอกหลวงพ่อผู้ใหญ่สองรูปสิวัดมหาธาตุกับวัดอรุณ บ, บอกว่าก็เตียมใจนะครับอาจจะไม่ได้จัดก็ได้ก็อย่าไปมีเวรมีกรรมเขาเลย ต่ว่าเราก็ไม่อยากจะพูดบางคนขนาดนี้พูดแล้วนี่มองตาตรงรู้ใจแล้วมันไม่ใช่ว่าไปนั่งอธิบายอะไรเรื่องรายสาระอย่างนี้อธิบายเลยก็ต้องปรงนะนะมันก็ทำไม่เป็นฐานใจก็ปรงก็ไม่ตอบไม่พูดไม่ร่วมประชุมด้วยคือขี้เกียจจะอธิบายเขาว่าอธิบายเนี่ยเราก็สงสารเขานะพอเขาอธิบายเราก็สงสารเขา าอย่าพูดเลยคุณเสียวเวลามันไม่มีเหตุมีผลอะไรแต่เราก็สงสารเขาเราไม่ได้โกรธแต่เราสงสารวิวิธีพูดของเขาว่าพูดแล้วมันมันผิดซ้ำซากผิดซ้ำซ้อนขึ้นไปก็มองแต่ด้วยเมตตาให้อภัยอดทนพื้นฐานตรงนี้มันมันจะสร้างภูมิจิตของเราเองและจะสลายคนที่เป็นศัตรู คนไม่ชอบเราเนี่ยก็อย่างน้อยก็ยยเฉยๆนะฮะมันเป็นหลักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเจ้าชายเจตธ า, านี่มีเมตตาอุภาพในสูงตลอดระยะเวลา80ปีนะมันไม่ใช่ว่า45ปีหรือ51ปีมัน80ปนะีไม่เคยมีใครทำอะไรท่านได้เลยไม่เคยมีใครเอาเลือดออกมาสักจับตัวซักหยดเลย เป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์นะคนระดับาศาสดาเนี่ยตายไม่คยดีหรอกเพราะอะไรเพราะการเกิดคนศาสดานั้นมันคนเลวสูญเสียผลประโยชน์เยอะเลยเนะคนดีตันเองที่ได้ประโยชน์เนี่ยแต่คนเลวก็สูญเสียผลประโยชน์เยอะอยางเช่นสมมุติว่าในปัจจุบันสมมุติาอาตมาเนี่ยนะอาตมาสามารถสอนอธิบายคนเลิกเสพยบาบ้าได้เนี่ย คนเลิกเป็นหมื่นๆเลยเนี่ยไม่กี่วันติดแบล็คลิสต์เลยก็ส่งคนมาเก็บซะจนได้โรคมันเป็นอย่างเนี้ยโรคเป็นอย่างเนี้ยมันธรรมดาบเบียดเปลีป่ย น, นกันคนทำดีแล้วจะถูกฆ่าคนเลวฆ่าเราจะเห็นว่าคนที่คนฆ่าอับราฮัมดินคอนคนฆ่าจอฟเฟคเนตตีคนฆ่ามาตมะคารนทีแม้แต่ในบ้านเมืองเรา คนดีๆที่ดูกค่าคนที่ค่าราคาไม่กี่สลึงเนะฮะไม่ได้คุ้มเลยที่มาตายกับคนเราเนี่ยแต่ว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นเองเรามองย้อนไปเถอะสมัยไหนก็ตามคนที่จับพระเยซูจึงไม่กางเข่งก็เป็นคนเลวๆฤทริ์ศยาอาฆาตไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรมันจะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเพราะฉะนเมื่อคนเกิดมาในโลกมันต้องรู้รท่ รู้เท่าทันโลกว่ามันเป็นเข้ามันอย่างนั้นแหละกุจะเอาอยัางไงแหละจะอยู่ในโลกต้องรู้เท่าทันและต้องกล้าหาญต้องเข้มแข็งต้องไม่อ่อนไหวกับอารมณ์ทั้งหลายเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนอื่นก็คือเรื่องคนอื่นเนี่ยการนินทาการใส่ร้ายการหาเรื่องใส่ป้ายสีเยอะฮะถ้าไปรับมันก็เละ แต่ปัญหาว่าถ้าเราทําเนี่ยเราก็แก้ไขถ้าเราไม่ทําไม่จําเป็นจะต้องไปแก้เพราะไม่มีเรื่องให้แก้ไม่รู้จะแก้ยังไงทีนี้ด้านปัญญาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ภาพธรรมชาติเช่นวีกาแย่งอาหารกันสุนัขแย่งอาหารกันครอบครัวทะเลาะกัน ครอบครัวหนึ่งคนหนึ่งป่วยครอบครัวต่างๆก็แสดงสีหน้าวิตกกังวลอีครอบครัวหนึ่งก็คนหนึ่งในครอบครัวนั้นตายลงไปก็ร้องโฮมร้องไห้ปริเวณธนาการเป็นภาพของโลกที่ปกติธรรมดาถ้าคนไม่คิดก็จะไม่เห็นอะไรแต่เจ้าชายจิตตะท่านคิดท่านก็มองเห็นว่ากระบวนการของความทุกข์ทั้งหลายจนว่าไป หมายความมาเปิดแสงสว่างขึ้นโดยการเห็นแก่จริงๆเจ็บจริงๆตาจริงๆคือหมายความว่าคนแก่ก็แก่เด็ดขาดเลยแก่จนก็เรียกว่าส่โครงปรากฏทั่วสารพางกายเส้นเอ็นก็สะพรั่งไปด้วยเอ็นตาก็พร่ามัวฟันเพิงก็หมดแล้วกูก็ไม่ได้ยินแล้วมันเป็นภาพที่สอนได้อย่างดีก็ทาให้คิดเป็นวงกลม อย่างนี้มีอย่างนี้มีอย่างนี้มีอย่างนี้มีเห็นไหมไอกระบวนการตรงนี้เราเราไม่ค่อยมองคือไปเที่ยวไปเที่ยวมองตัดตอนตเอกจากพ่อตรงใดสูงหนึ่งเมื่อก่อนไปลลมครูอาจารย์เนี่ยที่ว่าเนี่ยเขาถามปัญหาขึ้นมาโจมตีพระเนนอย่างนั <finalement S 1> ้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนรเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นบอกว่าพระเนนไม่ได้เกิดในวัดนะเกิดมาจากข้างนอกนะ มันไม่ใช่มาถามพระมันถามพวกคุณที่สอนเด็กมายังไงอะ่ะเกิดลูกมาอยังไงสอนเด็กมาอยังไงอะ่ะเพราะกว่าจะเธอเข้ามาบวชในวัดเนี่ยมันเธอผ่านโรงเรียนอนุบาลมาผ่านโรงเรียนประถมมาหกปีผ่านโรงเรียนมัธยมมาอย่างน้อยก็สามปีหืออาจจะถึงหกปีก็แสดงว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ประมาณสิบสี่ปีขนาดจบมัธยมเนี่ยแล้วที่จริงมันไม่ใช่มันต้องจบ ปวชหรือจบปวสปวสก็เพิ่มกันไปอีกมาวิทยาลัยก็เพิ่มกัไปอีกก็สรุปว่าประมาณสิบแปดสิเก้าปีสิบแปดปีถึงเข้ามาบวชบวชไม่กี่วันนะ่ะคุณจะเกณฑ์เอาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไง น, น, นี่คือสิ่งที่เราไม่มองต่ออธิบายฟังน่าเสียเลยแล้วแต่บางคนก็หาตึงเลย น, นะฮะรู้สึกตัวว่าผิดท่าแล้ะคำถามเหล่านี้มาเจอบ่อยครูเนี่ย พอให้แกหยุดคิดเนี่ยแกจะเข้าใจทันทีเลยมาดาลูกศิษย์เองเนะกะแกแพูดถึงพระเนร์ก็คือพระเนรในบ้านแกนั่นแหละที่แกเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะไม่ควรก็คือพระเนร์ใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆบ้านแกนั่นแหละไม่ได้มาเห็นที่กรุงเทพไม่ได้มาเห็นที่เชียงใหม่นะฮะคนนาราธิวาสก็เห็นที่นราธิวาสนั่นแหละแล้วก็คือลูกหลานตัวเองเนะลูกศิษย์ตัวเองนั่นแหละ นันก็คือมองเป็นกระบวนการและเราจะเข้าใจนะจะเข้าใจอะไรเยอะแทนที่จะไปโยนกรองกันหรือว่าไม่รับผิดชอบต่างๆมันจะเป็นกระบวนการแนวการมองตรงนี้ศาสนามันมีคำอย่างคำหนึ่งที่น่าที่น่าคิดนะเวลาปัญหามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดภัยเกิดอันตรายอะไรแกท่านคิดมาท่านไม่โทษใครฮะท่านโทษวัตตะ หมายความว่าเพราะเราเกิดมาแต่เราไม่เกิดมาในปัญหาเหล่านี้ไม่มีเพราะถ้าจะแก้มันต้องหยุดเกิดแต่คุณเกิดเนีคนคุณปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้หรอกเห็นไหมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่จะแก้ได้ถ้าจะตัดคุณต้องตัดรากถอนโคนมันทํำไมถึงตัดรากถอนโคนแล้วเนี่ยหนอมันก็แตกมาอีกกันหละ เป็นการมองเป็นกระบวนการทั้งหมดไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องนะฮะทุกเรื่องนี้ให้มองเป็นกระบวนการแล้วกระบวนการเหล่าเนี้ยมันเป็นเหตุให้เกิ ด, กดผลยังไงก็กลายเป็นเหตุสองเหตุคือเหตุควรประพฤติแล้วก็เหตุควรงดเว้นแล้วดูผลเนี่ยผลที่เราไม่ต้องการกับผลที่เราต้องการเห็นไหมมันมีความชัดเจนมันอยู่ในโครงสร้างของอริยศาสตร์โครงสร้างอริยศาสตร์น่ะถ้าเราดูให้จริงๆแล้วก็ทุกก็คือสภาพปัญหา ศึกษาให้ละเอียดว่าอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ว่าไปสาเหตุมาจากไหนสมมติไทยก็คือสาเหตุของปัญหาสาวบันถึงกันมันเลยว่าไอ้เมื่อหาจริงๆนี่อยู่ที่ไหนแล้วในโรธศัตร์ก็คือความปราศจากปัญหาไม่มีปัญหามัคคิสัทธ์ก็คือหลักการวิธีการในการแก้ปัญหาแล้วโครงสร้างเหล่านี้มันก็มีอยู่ในชีวิตของคนนะเราสัมผัสกันอยู่ทุกวันเจ้าชายิตาเป็นแบบให้เราในเรื่องเหล่านี้ เป็นการมองปัญหาต่างๆเนี่ยยุคข้อมูลข่าวสารอย่าลืมว่าเรารับสารมากกว่าสื่อสารถ้าไม่มีฐานของความคิดฐานของเหตุผลฐานสติปัญญาแล้วเนี่ยมันอาจจะถูก ถ, ถึงกระสนรภายเอาเลยนะข่าวสารทั้งหลายเนี่ยมันจะฉุดกระชากเราไปไม่ประณีประสายเลยต้องฟังกันหน แต่ลมประโพธิญาณในาการพิเศษในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้ อ, องามไปบูรณนธรรมจุมีและท่านผู้ฟังหลายโดยทั่วกันสวัสดี